ไอ้กลับมาดูในบทสอวิธีนะครับหน้าร้อยสิบสิทข้อที่เก้านะครับหน้าร้อยเจ็สิบนะข้อที่เก้าพิสูรรูปใดไม่ได้สมมุติจากสง <c oughs> พึงบอกอาบัตที่ร้ายแรงสังฆาทิเศษของพิสูรแกอนุปรสัสนิบาตต้องอ า, าบัตปาจิตตินะครับ <c oughs> อันนี้นะบอกอบัตสังฆาทิเศษนะครับแล้วม่ได้สมมติจากสงนะการสมมติจากสองเป็นยังไง หมายความ่ามีพิสูจน์ไรูปหนึ่งนะครับต้องบัตสรสงฆ์ดเสียงนี่บ่อยมากนะไปเอาอยู่นั่นะครับโสหังไนะโสหังเอาไว้เข้าป่าปริว่างบ่อยอะไรนี้นะนะต้องอยู่นั่นแหละนะครับพระสงฆ์ก็จะทําไงดีก็สงฆ์ก็จะสมมุติพิสูจขึ้นมารูปหนึ่งให้เป็นผู้ที่สามารถบอกอาบัตชัว่วอย่างของพิสุองค์ น, นี้ได้นะครับบอกให้แก่โยมเลยนะคาร ว, วาญาโยมมาถวายสังฆทานสำนักมาทำบุญเนี่ยบอกมาเลย <c oughs> มันมีการสมมุติแบบจํากัดอาบัตก็ได้นะครับจํากัดตระกูลก็ได้นะว่าอ้าวให้บอกอาบัตแค่นี้นะแกต้องหลายตัวใช่ไหมบอกเฉพาะพวกนี้พออันหนึ่งมันอยากไปอย่างนี้นะครับหรือจํากัดตระกูลนะครับบอกแค่สํานักพอนะจะไปบอกคนทั่วไปนะครับนี่มีจํากัดก็ได้จํากัดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างก็ได้นะครับหรือว่าไม่จํากัดไปเลยก็ได้ถ้าหนาจะบ่อนจนแบบไม่ไหวแล้วนะมันต้องประจานกันให้แบบเห็นเคดไปเลยเนี่ย ไม่กำหนดเลยนะครับบัตรอะไรเท่าไหร่น้ำต้องสำคัญดีเศษกี่ตัวนะครับยอมคนไหนมานะครับมอมหมดเลยนี่นะสมัยนีมันจะย้ายบ้านหนีแล้วนะถ้าสมเขาอยู่แล้วไม่ได้นะนะครับแต่เนี่ยเพื่อเป็นการกำลังเลยเป็นการรุกคอนะนท่านให้ได้เห็นโทษเห็นภัยของการทำอย่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่ได้สมมุติเลยอยู่องมาถาม ถ้าอยู่บร <Hebrew> ิวารเนี take, uh, in a, in a ่อยู่เพื่ออะไรครับไม่ใช่บอกบอกได้อ๋อแล้วเราก็บอกบอกเป็นเชิงวินัยนะครับแล้วก็บอกเพราะว่าถ้าอะไรนะเพื่อวินัยกรมเพื่อนบริสุทธิ์จะอาบัตไม่ต้องออกชื่ออาบัตนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไปต้องอาบัตอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าพื่อนเพื่อเหมือนผู้บริสุทธิ์นี่นะครับเพราะว่าการบอกนี่จะต้องอาบัตอาไปตีนะต้องบอกทั้งสองอย่างนะครับบอกการลงละเมิดด้วยบอกอาบัตด้วยย่อมถ้ารูปนี้นะ ไปขยำพระชัยสุจิขึ้นเนี่ยท่านต้องทำทาิเซตแล้วเยต้องมาเป็นตรีว่าอย่างนี้นะ น, นี่ น, นี่นนนถึงขนาดเดี๋ยวเป็นนะครับถ้าบอกแค่ว่าไปทาสุจิขึ้อนอย่างเดียวก็ไม่เป็นหรือบอกแต่ว่าต้องทำารเซสอย่างเดียวก็ไม่เป็นต้องหมดทั้งสองอย่างพร้ไปเลยนะครับหนึ่นงจะต้องะครัคบครับครับนี่ก็ยังไม่เป็น เพราะเราไม่ได้บอกว่าถูกนะบอกแค่อย่างได้อย่างนี้มันต้องอาบัตรนะครับก็ได้นะครับเราเราบอกอบัตนะครับบอสแบบอื่นนะครับอาบัตรจะบางลงเหลือทุกกฎนะครับแม้แต่บอกแบบปลาชิ้นนะแล้รู้ว่าท่านตรงนี้ต้องปลาชิ้นแต่แกไม่ยอมสึกใช่ไหมแล้วก็ไปบอกอยู่นะครับบอกทั้งสองอย่างเลยนะเนี่ยแกไปเมียอะไรกับผู้หญิงนาโยไปเสพกาวแล้วก็แกต้องปลาชิ้แล้วเนี่ยนี่ก็ไม่ได้นะครับ แม้บอกแบบปลาราชีกของพระที่เป็นปลาราชกแล้ะแข่งยกก็ยังไม่ได้เพราะถ้าแกก็ยังพระแต่เป็นพระปาราชิีนะครับถ้าบอกอันบัตรอื่นก็ทุกกฎเหมือนกันนะครับอันบัตรของกองที่หลือนั้นไม่ช่ารดีเซ่นนะครับเป็นอันบัตรทุกกฎถ้าบอกการดีเซ่นนี่ก็ต้องอันบัตรปาจิตตินะครับบอกแกงุมประสามบันนะถ้าบอกแกพระด้วยการนี้ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องนะครับ ภาษาอะไรนี้กว่าเปิดว่าใช้นี่เราภาษาอยู่ไดครับให้ภาษาเราใช้บ้านสามารถมันต้องใช้คําพูดไม่ให้ใช้ว่าใช้บอกต้องขอความนุ่งคล้องนะครับนี้นะขอความวนุ่งคล้องช่วยนั่นช่วยนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วขอความนุ่งคล้องตันเตช่วยเย็บผ้าผมหน่อยได้ไหมครับอย่างนี้นะเราในความของรบนะครับไมันจะว่าใช้เลย <c oughs> นี่ยังภาพมึงย่างนี้นี่ก็อ่อแบบไม่มีนะแต่ว่าพูดถึงจะถานหน้าผมควยไม่คูดนะอย่าทขารบนะอาจารย์ก็อยู่สอนว้าพูดอย่างนี้ครับเอออนุคอนะขอความอี้ครนี่ครับความที่ผมเออผมอยู่ตอเนี้นะอยู่มานั่นเนี่ยผมไม่ได้ไปขยับแานจะจีเคลื่อนนะ โบยผ่ากันครับเจ็บปัญหาเนี่ยไม่เคยเลยที่แบบไปขยับสักทีหนึ่งก็ยังไม่มี <c oughs> ขอ่ักทีนะนี่นน <c oughs> แต่ที่ต้องน่ยมันมันกำหนั่งไงตอนนั้นกำหนั่งแล้วเกิดไปจับมันเข้านะครับแล้วก็ไม่ได้ไปบีบไม่ได้อะไรนะทีนน้ำหมอเลื่เลื่อนมันเคลื่อนนะครับ <c oughs> ผมก็วางใจไหมของมันมันมีเจตนาหรือมันไม่มีใช่เคลื่อนนะครับ <c oughs> มันรู้ว่าไอ้ใจต้องก า, ารไอ้หลอเลื่อนเคลื่อนเนี่ยมันไม่มีแล้ว เพราะถ้าต้องการคือต้องการกุจิตมันออกไปเลยใช่ไหมมันไม่ต้องการหอกเรื่องขึ้นหรือมันไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่ที่ถ้าต้องการกุจิตเพื่อน่ะมันจะมีเวทนาที่ดีตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ท่เราก็วางใจไม่ได้ปร่งใจไม่ตรงมันเป็นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนี่นะแต่ทีนี้ตอนที่มาสอนสัานิเศษแหละผมเริ่มสงสยัยตัวเองข้นมแล้วก็โปอ่งใจไม่ได้ก็เลยเออบางวันว่าคิดว่ามีบางวัว่าคิดว่ า, มาวไม่มีจะได้ ความบริพ่อก็เลยนะครับมาสุดท้ายก็โปร่งแจ้กว่ามีนะครับก็เลยเข้าไปเล ย, ยนี้นะแต่ไม่มีตัง้งวชจะปัญญาที่จะไปขยำธรรมชาติสติเคลื่อนนี้นะครับไม่ทั้ทีหนึ่งนี่นะก็ไม่มีนะครับบางทีต้องดูนะคนที่อยู่้องไม่ได้ไปทํางนั้นอย่างเดียวนะครับบางทีหนองเลื่อนเคลื่อนอะไรนี่ก็มีนะครับแต่ตอนเป็นเณรมี <c oughs> ตอนที่เกิดเป็นเนณรมีนะตอนพ่อเป็นเนนณรมัน ผมว่ามันสู้ผ้าไม่ได้เลยครับเกีย่ยวถ้าเป็นผ้านะ่ะกําลังใจมันจะข้มแข็งกว่านะแล้วก็อาบันหนักนะครับกว่าจอกหน้าเนี่ยหน้าอายก็หน้าอายก็ <c oughs> ก็รู้นะถึงบางทีก็ต้องคิดแหละส่วนใหญ่ถ้าใครอยู่บริวนะ่าเนี่ยเขาจะคิดบปถึนน ง, งานที่เสียข้อหนึ่งใช่ไหมส่วนใหญ่ข้อไม่ค่อยคิดแต่ข้อสองข้อสาหรอก <c oughs> คนอื่นนะใช่ไหมครับที่ก็ดูรานะเน่ะเ่านจะคิดเนี่ยบางทีก็อายได้แล้วก็กว่าจอกได้ใช่ไหม ถ้าถื อ, อว่าก็ต้พึกงปริวามาะอัภาต่อสายส่งอย่างเดียวนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะนั้นพระนี่จะระวังกันมากน ะ, ะระวังกันมากนะครับนม่อย่างคนที่เข้าแบบอะไรนะอินซียังอ่อนยังอะไรไม่ไหวนะที่จะโดนบ่อยนะครับอย่างนั้นมีลักษณะโดนแบบไม่มากก็ว่านี้นะครับก็สวยแต่ถ้าเป็นเนนนะถ้าเป็นเนมันทีคิดว่าอ๋อแค่ธนากรรมแค่ธนากรรมเลขอใหม่ต้องใหม่ใช่ไหม ถ้าขอใหม่แล้วเนี่ยแค่ไปขอธนกรรอย่างนี้นะเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนก็ว่าโทษไม่หนักนะครับกําลังใจก็เลยแบบไม่เข้มแข็งนะผมแนะนําว่าถ้าเป็นเนรแล้วก็โคตไม่ได้กั้งไม่ได้นะความจริงถ้าอยู่กับผ้าแล้วนะครับมไม่น่าจะมีปัญหาถ้านอนอยู่ในกุฏิโดยการอย่างนี้ยนะมันน่าจะมีแอบไปทํานะอันนี้ไลฟ์าาฟังแล้วพ่อกำลังเข้าสนาุนดรีย์นี่พอดีนะตอนสอนเพิ่มเป็นเนรนะครับ ตอนทีมมาาม่มาเข้ากมรมฐนะานมันมาเข้ากมรมฐานนะเป็นนาเลยนะครับไม่มีเลยนะมาเข้ากรรมฐานไม่มีการทําอย่างนั้นเลยนะครับแล้วตอนที่ไปนอนอยู่กับผ้าในกุฏิรวมเนะี่ยก็ไม่มีการทําอย่างนั้นนะครับมาละอมนันยัอายนะมนันยังกลวนะรับมันการทําหรอกถึงเราอยู่ในกุฏิคนนี้มีใครลุใครเห็นใช่ไหมหรือไปข้างนะมีใครลุใครเห็นนะแต่ความที่มันอยู่ใกล้กูบาร์จ่างใกล้ผ้าอะไรอย่างนี้นะที่ถ้ามีสีมีอะไรมันจะละอาย ไม่กล้าทำแต่ถ้าไปอยู่กุฏิคนเดียวย่างๆนั่นนะอ้ยอันนั่นเกลี้ยกล่อมรวมมานี่ยคุ้มไม่อยูอน่นะครับ ต, like ต้องเป็นเนนนะถ้าไปอยู่คนเดียวยู่กุฏิคนเดียวนี่ห่างเนี้ยนะคุมตัวเองไม่อยู่นะครับแต่พอไปอยู่รวมหรือเข้ากรรมฐานเนี่ถึงถ้าเข้ากรรมฐานถ้อยู่คนเดียวก็คุมได้นะก็แปบเหมือนกันถึงขนาดว่าเข้ากรรมฐานแล้วก็ออกมานะครับบางทีอตัวนี้นะมันไม่ก้มลมไปนานเหมนกันงทีหลายเดือนนะครับสองสามเดือนก็มีนะ ไม่กลุ้มมายถึงว่าไอาทําไม่มีแล้วนะไอที่ว่าจะมากุ้มให้คิดกันมากๆนี่นะครับวันนี้กรรมฐานนี่ช่วยได้นะเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะช่วยได้หยุดประหาดเดียวแล้วผมยังแปลกใจนลยครับเออออกกรรมฐานแล้วไอ ต, ตัวนี้มันดีนะมันราคาไม่ก้มหลุมมากนะครับผมชื่อวแต่ว่าถ้าโทรสารท์แล้วกรรมฐานแั้วไม่อยู่ถ้าโทรสารนีแล้ผมหนักนะกรรมฐานแ้วไม่อยู่เลยนะครับนี่น่าเน้นใช้วิธีอย่างนี้นะ เล่ <g ül> นไอ้กดีเล่นช้อนกันดีนอนนดพออยู่ร่วมกับผ่ามันไม่น่าจะมีหรอกนะนี่นะครับแต่พอไปแยกอยู่แล้วบางทีมันเป็นหน้านใช่ไหมแล้วคิดว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาตอนนั้นน่ะทอนนี้ตอนนี้กำลังทํานะแล้วก็หัวใจวายตายโอ้ยเนี่ยคติจะไปที่ไหนนะครับหนักนะสาหัสเลยนะครับ เ, เจริงจครับจิง๋งจิ๋งนะครับจิ๋งจิ๋คึเกเกลย อบายอันน an <no okay ี้ก็คนอีกครับรูปมากแล้วก็ไม่ค่อยนีเท่าไหร่มันบาลงไปแล้วใช่ไหมครับครับย <ER> ิ่งยิ่งจะอายุมากมากเลยมันก็เลยเฉื่อยชาอืมครับยิดีเลยครับขั้นนนจะเริ่มอ๋อครับอาศัยประสบการณ์การเวลาอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับที่สมมาที่นัอย่างเงี้ยครับผมเคยเห็น ผมก็มีความชอบรูปผู้หญิงเนีบยรูปที่ต้องการเนี่ยคือว่ามีเสน่ห์สงสารมากจะเป็นคนติดกระเาพอผมเห็นนิธทราแลรวผมไปเลืกถึงเองรูปที่มันเน่าทุกทีถ้าบอกว่าผมเคยมีเพื่อนตัวรหญ่เนี่ยรถมันว่างรถมันว่านแล้วมันเอกทัพเราอนี่ยมันเป็นทัพเป็นทับอยู่หมดเลยสี่คนมาคนเอกทัพเอกทั แล้วงหาดมันจมดีตอนี้พอเขาขึ้นมาเนี่ยพอไปดูตอจตอนตนตอนนั้นก็ชีวาดนะเขาก็มีแบบนี้แหละหลวงพ่ออมาเล่าเขาบอกว่าที่ข้าวนี้ยเก็นจัมหวะูไปดูนะลิ้นมันโผล่ออกมาแล้วน้ำน้เลือดทั้งสองที่มีไหลเลือดปูปูปูโอ้โห หน้านี่หน้าเต็มลงเลยโอ้โหจะน่าจะไปยูรู้สึกจะเปลี่ยนใจอือภาพหน้ามองผู้นี้เครับพอไปเจอที่หน้าเปลืหน้าตาเปลือยพอไปนึกิ่งกังไงก็หมดเลยเหมือนเหมือนกินข้าวที่ว่ากลังกินอร่อยแล้วแล้วก็ไปเจอไปเจอยงางนั้นข้าวนะอยู่ตื้อเกลี่ยไเ่มีอย่างกินต่า อ่อครับอันนี้หน้าบอกอาแบบชั่วย่ากคือสังฆาลัยเศษนะครในที่นี้นะแกนุบสัมบัญฑนะแกนี่แหละเขาว่าต้องการประจานผ้าลูกเนี้ยเนี่ยต้องแบบไปตีครับทีนี้มาดูต้นมันอย่างว่ามาจากใครมาจากพระชาปนกีนะครับเนะขาชาปนกีกันนบขุนปณัฐนรรม เรื่องพระอุปนันทาศากยบุตรโดยสมัยนั้นเมื่อภาพพระเจ้าประฐมอยู่หน้าพระเชตวันอารามของถาถบิติกาข้ามบดีเขตพระนครสามวัีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทาศากยบุตรกําลังเป็นผู้ก่อการทะเลาะกับพระเจ้าพุทีท่านต้องอาบัติชื่อสัมเจตนิกาสุกวิสติแล้วได้ขอปริวาเพื่ออาบัตินั้นต่อสงสงได้ปริวาเพื่ออาบัตินั้นแก่ท่านท่านก็แบบพื่อนในวัดเลยนะ เมื่อเราเป็นเพื่นมเมือนเรานะครับเหมือนเพืนในวัดเลยอันนี้ก็แลสมัยนั้นในพระนครสามัีมีสังขพัตของประชาชนหมู่หนึ่งท่านกําลังอยู่บริวารจึงนั่งท้ายอาศนะในโรงพัฒน์นะครับนี่ต้องนั่งข้างหลังนั่นอัศนะสุดท้ายแต่ต่อหน้าสมณีนะครับท้ายพระฤสุดท้าย น, นั่นสมณเพระาจ้าบกคีได้การกับอุบาสกเหล่านั้นว่าท่านนั่งไหน ท่านพระบุญธรรมทาสากยบุตรนั่นเป็นพระประจำตระกูลที่พวกท่านสนสับสนุนนี่ไงศรัทธากันมากสนับสนุนกันมากใช่ไหมเนี่ยได้พยายามปล่อยสุจิด้วยมือที่บริพกองของนี่เขาถวายในศรัทธาท่านต้องลำบากที่สังเจนิการสุกาวิสันติแล้วได้ขออยู่ปริวาเพื่ออาหามบัตานั้นต่อสงส่งได้ให้ปริวาเพื่ออาหามบัตานั้นแก่ท่านแล้วท่านกําลังอยู่ปริวาจึงนั่งท้ายบริสันนะครับ เนี่ยประจานต่อหน้าโยเลยนะครับนี่อย่างจะเกิดอะไรข้นบานนี่ต้องต้องนั่งทาอย่างนี้ต้องนั่งทาอย อ, อ, าอย่างนี้ครั บ, อ, บอก่งกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพื่อนข้างนอกก็คือเราถือว่าลราเก็บบ้านแล้นนะครับอืมครับแต่ว่าเพื่อนข้างนอกเราก็นั่งนั่งนะเราก็นั่งต่ากว่ า, าพระพกตรตาใช่ไหมพระพักตร า, านั่งบนเสื่อพระปริวาสมานก็ไปนั่งอีกข้างนะครับพื้นที่มันต่ำกว่ารุ่นบุษราชนะาธรดาเนี่ยนะ จะไม่นั่งข้างหน้านั่งสูงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ก็จะทําให้เสียข้อวัดของพระใช่มาแบบขึ้นนะครับเพราะตรงแล้นกลับมาไม่เป็นไรพวกเราเก็บวัดเรียบร้อยแลนะครับก็ถือว่าปกติแต่ว่าถ้าแบบขึ้นในวัดเลยนี่เขาไม่ค่อยนิยมกันนะถ้าแบบขึ้นในวางก็จะมาสมาทานบอกวัดตอนเย็นๆหรหัวค่านี่นะครับแล้วก็มันจะได้อยู่ปริวานเข้าในช่วงของคืนใช่ไหม ที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวใครนะครับแต่อยู่ในวันบาทีมันเสียงใช่ไหมครับมันเสียงมีแครคนเข้าคนออกนี่างทีเราไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้นะครับถ้าโดนปัจจาขนขณะนี้เลยนะคงจะหน้าแตกหน้าดูเลยนะครับพ ว, ออนะพวกนี้กําลังทะเลาะกันอยู่แล้วนะพวนี้ก็หมาไส้เต็มทีได้โอกาสนะครับก็เลยนี่อะไรปัจจานไปเลยนะทีนี้ประานพี่จุ๊บพูดมากนะ้อยสุโดดนะครับ ต่างก็แท่งเทวดิเตรียมบทนาว่าฉ <c> ณ <oughs> ะพระจ้ปักีจึงได้บอกอาบัติชั่วอย่างของพิสุกแกงปะสัมบันเล่านะครับแล้วกราบงเนื้อความนั้นในพระภาคเจ้าพระองค์ก็ประชุมสองสมศรข้าสองติเตียนแล้วก็มายัสิขาบท น, นี้ขึ้นมานะครับอันนี้ข้อนี้มย่ยากนะมาดูค่าวอธิบายในการขาดได้หน่อยครับหน้าว่า68อธิบาย ทุตนี้นต้องเป็นทศหานออกอา อ, อ่านะออา น, ะออานะอูดต้องเป็นทุตนะครับทุตทุนลาโลเจนะสิกขาบทเ <c oughs> พิึงทราบวิริชาในสิกขาบทที่เก้าต่อไปคําว่าพิกุสะได้แก่พิสุพุมิไม่ได้ต้องอบัติปราชิพนะครับในสิกขาบทนี้นะที่บอกว่าบอกอับัติชั่วยาของพิสุกแก่รูปสัมบัญนัมบัติชั่วยามมายถึงสังคาริเศษใช่ไหมถ้าเป็นปราชิน ไ, ไม่ต้องสังคาริเศษแล้วนะครับ ศีลมันคามหมดแล้วนะมันไม่มีอาบัตให้ต้องแล้วนะครับไม่ต้องอาบัตที่สูงสุดแล้วนะศีลขาดหมดแล้วนะครับเพราะนั้นคําว่าพิ่ของพี่สูตรในที่นี้อาบิสูตรที่ไม่ได้ต้องประราชิกนะครับไม่ต้องประราชิชนั่นแหละก็เลยยังมีการต้องสมาธิเสดได้นะคําว่าทุตุนลังนี้เป็นชื่อของกองอาบัตสองกอง <c oughs> ธรรมดานะครับทุตุนลังอาบัตชั่วอย่างนะเป็นชื่อของอาบัตสองกองแม้ก็จริง อาบัญญาได้แก่ปลาราชีนัสสาดิเศสนะครับถึงกรณ์ น, นั้นอาบัตธาดิเสตเท่านั้นคุณพระพากย์เจ้าทรงประสงค์เอาในสิกขาบท น, นี้ <c oughs> คําว่าอิตตนะณะปิกุตสมมุติยาความว่าสรงต้องการจะให้ปีสุที่มักประพฤติล่วงละเมออาบัตนิเนืองๆนี่ไงนะต้องก็อยู่บ่อยๆนะคร้บ <c oughs> ดีก็ขอดี้ก็ขอนที่ประพฤติที่ประพฤตินนะนนไม่ไหวแล้วต้องกําหลังมากๆนะ <c oughs> ให้นะครับนักการุขนะให้มีความสํารวมในพระวินัยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจึงอปภโลกสามครั้งทํากติกาใดไว้นะก็สมมุติพิสุขขึ้นมาให้บอกอาบัตได้นะครับด้วยการกําหนดที่สุดอาบัตกําหนดที่สุดแล้วว่าให้บอกได้กี่ตัวบอกได้แค่นี้นะถ้าบอกคนนี้นะครับหรือตระกูลนะครับบอกได้เฉพาะโยมพวกนี้นะครับถ้าผู้อื่นไม่ให้บอกนี่นะ หรือไม่ได้กําหนดก็ตามไม่กําหนดไปเลยนะครับใครมาก็บอกไปเลยกี่ตัวก็บอกได้หมดนะอันนี้เว้นการบอกอาบาสนาติเศตามกติกานั้นเสียเมื่อพิสุไม่ทําตามกติกาคือบอกเกินกว่าที่กติกาเขาบอกไว้นะครับกติกาบอกว่าให้บอกเฉพาะยมสํานักเท่านั้นนะครับอันนี้ท่าไม่รู้หรอใครมาก็บอกหมดนะครับโยมมัทวานสักพุทโธสักทันก็บอกกระจายหมดเลยนะ นี่ก็เนี่ยทำเกินกนติกานั้นไม่ได้นะครับก็จะต้องไปตีหนึ่งเหมือนกันนี่นะ <c oughs> <c oughs> คงจะหมันไส้นะั้นถึงเป็นขนาดนั้นนะครับ <c oughs> บอกอาบาสัสัคาทิเศสนะครับ <c oughs> เชื่อมกับวัตถุนี่เนี่ย <c oughs> ต้องบอกตัวอาบัต ด, ด้วย <c oughs> วัตถุการรุ่มละเมิดด้วยนะครับโ <c oughs> ดยในายเป็นต้นว่าที่สุนี้ปายสุจิต้อ บ, บัตสังคาทิเศดังนี้ต้อ บ, บัตปาจิตีนี่นะ เหตุเกิดและประเภทอาบัตสิคราบวนี้ผคุณพาะเจ้าทรงปราบพระวิสุทธิชปรกีในเมืองสาบัตีบัญญัติวิแล้วต้องเหตุคือการบอกอาบัตช่วยยาสิคราบวนี้เป็นสาธรณบัญญัติพิสุนีก็มีนะครับคือพิสุนีก็เป็นการบอกอาบัตช่วยยาของภิษุนีด้วยกันแต่ทำสติให้เคลื่อนอย่างเงี้ยนะของพิษุนีไม่มีนะครับทำสติมัมีเฉพาะของผู้ชายใช่ไหมของผู้หญก็มีแต่น้ําน้ํากาง ที่มันเกนจากความกำหนักใช่ไหมครับมีนะของพิษณีไม่ปปมีนะครับ ข, อ ข, อขอ้อปล่อยสจีให้เกิดนะมันก็มีข้อชื่อตัวเองนะมีแต่พิษณีเขาจะเป็นไปอีกทีอ่ารบัตเขาจะเบาลง น, นะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นสาธารณบัญญัตนะินะอนันติกะนะครับไม่เกี่ยวการใช้นะครับบอกเองนั้นถึงโดนติกะไปอีกทีนะครับติปะกาไปอีกทีคือเป็นยังไงเอาเป็นอาบัตช่วยอย่างนะครับเป็นตัวตั้งนะ รูู้ทั้งรู้รว่าชั่วใหญ่สงสัยครับว่าไอ้อาบัติมัหยาบไม่หยาสันติเศนี่น <c oughs> ว่าไม่ใช่อาบัญญะใช่ไหมครับมองไปนะครับอันนี้ก็ต้องอบัตไปอีกติดเท่านั้นนะครับใช่แล้วนะไม่ใช่อาบัตชั่วหยาครับไม่ใช่บัตชั่วยาเนื่องจากถุดกรจายลงไปนะครับสําคัญว่าเป็นอาบัญญยต้องบัตทุกกด น, นะครับบอกแล้วก็ต้องบัตทุกกด บอกอาบัตหกองที่เหลือเว้นสัาหาริเศอาบัตมนเจ็ดกองใช่ไหมครับเราเว้นสัาหาริเสษหกกองที่เหลือแม้แต่บอกอาบัตปาราทกนะอันนี้ก็ต้องอาบัตทุกกฎนะครับเมื่อบอกข้อประพฤติหยาบช้าคือการล่วงละเมิดสิขาบทห้าข้อแรกของอนุปัตสัมปันนะครับหรือข้อประพฤติที่ไม่หยาบช้านอกนี้ต้องบัตทุกกฎเหมือนกันนะครับอันนี้นะ ข้อตัอยามช้าของสัมณมเน่ก็ได้แก่การลุละเมิดสิหาสิขาบทห้าข้อแรกนะครับตั้งแต่ห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมจนถึงอะไรล่ะห้ามถึงสุรามีรัยนะครับถือว่าชั่วยากของเน่นะนี่เอาชั่วยอยากของเนไปร ป, ร ป, รประจานให้โยมฟังเลยนะโยมในองคงนี้ไปทำอย่างนั้นะอย่างนี้นะแล้วก็เน่งฝึกฝข้อนี้แล้วนะครับนี่ต้องบัดทุกขกดหรือแม้บอกอ่านบัตดที่ไม่ชั่วยามนะก็ต้องทุกขเหมือนเดินะครก็สิขาบทห้าข้อหลังใช่ไหม อันนี้ผมเขียนมาให้นะครับอาชาจารย์ไม่ช่วยอยากของสำมเนเนี่ยเอาสิกขาบทห้าข้อหลังนะแล้วเกี่ยข้อทำสุจีให้เคลื่อนนะครับอันนี้ชื่อว่าไม่ช่วยอยากของเนนะทำสุจีให้เคลื่อนนะครับจำต้องกายหญิงนะครับพูดวาจะช่วยอยากพูดให้หญิงบําเรอตนด้วยการนะครับนนั้แล้วก็สิกขาบทห้าข้อหลังมีการละพูชนาเป็นต้อนอันนี้เป็นไม่ช่วยอยากของสำมเนนะครับ ก็ต้องอา่านบทุกกฎเท่านั้นนะอืครับอนาบัตนะครับพิสูจไม่ต้องอานบัตเมื่อบอกเพียงข้อที่ประพฤติหรือเพียงอาบัต <c oughs> <c oughs> บอกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมบอกเพียงข้อประพฤตินะครับเนีห็นใช่ไรก็บอกแต่ว่าโยอมรูปปาผ้ารูปนี้นะท่านไปขยับโล่ใชิดสุจิเคล้ะครับเป็นจำนวนที่ไพ่ล่อหน่อยนะหรือว่าเนี่ย แกไปจับกายผู้หญิงเนี่ยไปเค้าคืนไปจับไปก่อนน่ะวันนั้นน่ะตามาเห็นอยู่นะบอกอย่างนี้ไม่ต้องอาบัตเลยนะครับเพราะบอกให้เขาแบบเพียงอย่างเดียวนะหรือบอกเพียงอาบัตรนะครับว่าแกต้องสังฆทิเสสนะครับเพราะนี่ต้องสังฆธิเสนนะโยมแกก็เลยต้องไปอยู่ปริวาเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องอาบัตนะครับก็อย่างใดอย่างหนึ่งต้องบอกทั้งสองอย่างเลยบอกโดยไม่ให้ล่วงเลยเขตการสมมุติให้เป็นผู้รับหน้าที่บอกอาบัตสังฆทิเศสนะครับ ไม่เกินนี้ก็ไม่ต้องอาบัตนะตรงแยกนะครับค่มัประโยชน์ค่ะครับว่าอาบัตการปฏิเสธค่ะอันนี้ได้เลยครับคือเราไม่ได้บอกระบุตัวบุคคลไงเข้ามาถามอาบัตแล้วก็บอกไปว่าคือพระพระที่ทําอะไรอะไรถึงต้องทางดีเสร็จแล้วก็บอกได้แต่เราไม่ได้บุบอกตัวบุคคลนะแค่ที่บางสิ่งถามคนได้ฟังนะครับในสิ่งาก็นั่งโดดได้เลอ่าโดดได้หมดเลยครับ โอ้ท่าไปทําัีไมาแล้วก็อย่าบอกอาบัตาเราบอกแต่ข้อประพฤติออนะโยมเป็นเรื่องส่งนตัวของท่านนะมันจะล่วงเรื่องเกินไปแล้วนั่นเนี่ยตามาบอกไม่ได้หรอกโยมมันเกินไปนล้ถ้าโยมอยากจะรู้นั่นโยมเข้ามาบวดสิ แล้วจะรู้ทําไมต้องปกพื้นกันเนี่ยแล้วเข้ามาบวชนี่ยแล้วก็หาวิธีเลี่ยมไปนะครับหาวิธีนะครับเนี่ยมังงั้นมันจะได้องค์นะเ น, นี่ย <culpa> ไม่ได้ครับมันไม่มีด้วยนะว่าถ้าโยงถามแล้วบอกได้ไม่มีอาณาบัติข้อนี้เลยครับไม่เกี่ยวกับเขาถามไม่ถามมันก็ไม่ได้นะครับ ในนี้นแล้วก็นะครับและพิสู่บ้านเป็นต้นก็นไม่ต้องอาบัตดองค์อาบัดสิก้าบุนี้มีองสามเหล่านี้คือหนึ่งบอกอาบัตดชนทาธิเศษพร้อมทั้งอาการที่ประพฤติของพิสูพุม้มลักษณะดังกล่าวแน่นะครับเราเปลี่ยนข้อบ้านลนข้อจับต้องการหญิงมาอย่างเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนุ้ยปายโยง้ารูปนี้นะ่ะแกมีจิตกําหนั่นะไปกอดพยาบาลมันนั่นาตะมาเห็นอยู่นั่นเนี่ ย, ยนี่นะไปจับพยาบาลเลย แล้วพยาบาลก็ดันเนี่ยมีอารมณ์ร่วงเลยนะท่านก็เลยต้องบอกสังฆาติเศสว่าไปจับต้องกายพยาบาลผู้หญิงนะอันนีครับเนี่ยมันก็ครบใช่ไหมก็ต้องอาติเสสนะครับแล้วก็บอกแกนอุสบสัมปันนะครับถ้าบอกแกพลาดด้วยกันนี่ก็ไม่เป็นอยู่แล้วนะครับอันนี้บอกแกนอุบสัมปันกัสบสมณีหรือว่าโยามนะครับทําไม่ได้เป็นพิสูจผู้ได้รับสมมุตินะครับอันนี้เมื่อครบองศานี้ก็ ต้องบอกไปตีในสิกขาบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเหมือนในอัตินาทาสิกขาบทสมุทฐานเท่าไหร่ข้าในอัตินาทานสามนะครับกายกายจิตครับวาจาจิตกายวาจาจิตนะครับอันนี้เมื่อกี้บอกว่าเป็นติกะไปะตีแต่นี่มันบอกว่ามีจิตนะคือมีจิตด้วยจิตที่ไม่ดีนะครับจิตเป็นโทสารนะ แกไม่ชอบที่หน้าผ้าลุมนี่นะต้องการประจ่าง น, นะครับให้อับยศให้อับอายขายหน้าให้มันสะใจแก่นะครับเนี่ยจิตมันเป็นโทสะ ต, ตรงนี้อยู่นะมีจิตะคะในข้อนี้แล้วก็ประจ่างไปหบอกด้วยการก็ไดูวาจาก็้ดทั้งสองอย่างก็แล้วแต่นะครับต้องบอัดทนั้นนะครับแต่ในสิกขาบทนี้มีเวลานาเป็นทุกอย่างดีโทมานาที่ไม่เกิดร่วมกับโทสะ จกการที่วายทุดทุนลาโรจนะศกขาบทมันมีภาพประวัติคุณปริว่าถ้าขนาดท่านถูกถามนะถูกถามในตอนประวัตขึ้นนี่แหละท่านก็ยังโก้เลยนี่ครับเดี๋ยวว่าจะถามข้างนอกเลยนะไม่ดีเนี่ยโก้เลยพอจบว่าทํายังไงเดี๋ยวเดีย ก็รว่าไม่ให้นะเราอาารเลยอุ้ยอไม่เอาแล้วก็แสดงหน้าแดงดูแดนเหม่เอนนี้ก็จบ ค, คนนี้ไม่อยากนะเราจำไว้ก็แล้วกันนะครับว่าบอกอาบัตอะไรของพาะให้แกนุบสัมบันที่ต้องไปตีบอกอับัตอะไรต้องบัตทุกกดเนีนก็บอกไม่ได้เท่านั้นนะครับต้องบากหมดเลยนี่นะ